สยบสองก็ถกง่ยควมากตัวจนนอนไม่หลับตัวจนทอะไรไม่ได้เลยจะบอกว่าตัวจนกินไม่ได้นั้นเมื่อหร่ามผีเคยท้ายผมก็เลยเรียกทำอย่างไรแค่บางที่เป็นชาวพุทธก็รนะดับนี้วดกระจห้ตัวนะครับก็เลยไปยบวชรัได้รวจมันก็ไม่ถึงกับมีอะไรที่แท้แต่มารูกตัวเองขณะที่บวนก็จลัวแม่ตอนที่ทขาม า, ายอยู่ที่รเทนัเกิดเหตุการณ์ตุลาปีหนึ่งต่าง ก็เลยมีการฆ่ากะเลยมีคนตายทํามสิกหวั่นไหวปวดทุกีเพราะมีความทุสิตเราก็ทำงานตรวจก็ยังมีความทุสิตตัวตอนนี้จาได้ว่ามีเพื่อนที่เป็นพรคเนี่นะครับก็ชวนเข้าป่าเพระวมทุสิตให้ผเป็นพระแล้วก็ป่าเรื่องไปนครับก็เลยไปป่ามานะครับพาะอาจารย์กถึงพระป่าพรท่านมีป่าเมื่อท่านรับทราบความทุสิแบบนั้นแล้วก็มาเปิมใความบปะนทั้ การอบความรู้สึกขอเขาผมน่าจะยังีชีวิตอยู่พการปฏิบัตินที่ผมมีเกิดจากผมที่ศึกาที่อินเดียเขาเป็นนวิาศาสตร์อินเดียก็ไปเรียนเรื่องราวมากมายอะงสุดท้ายก็ผมผ่านมาที่เจ็ดทีหนึ่งแลครับความตายของคนอืนก่อตายลก็ม่อตายล้างแล้วแต่เพราะว่เรามีความคิดหลายอย่างที่ทำได้แต่เม่ออายุครบห้าสิบปแมะมาต้องชวนถามตัวเองว่า คามตโเียปีใหม่รือว่าจะมีอะไรเอ่าขอบคุณนะมานมาที่นี่เหรอมาจากกรมาไอกค่ะมาการเยที่นี่อที่้านเมาที่นี่่้ะที่นี่มาสองครั้ง่แ แล้วก็ไปตามหลอกบ้านใหม่ของอเคจะมาอบรมก่อนจำได้ว่าตอนที่ผลอาหารหมดแล้วน้ำอุดเป็นลมก่อนที่ลูกศรไปโดนย้ายจากทางดุสิตาธิบดวันลอยได้ความไม่ไม่อา่าม่ใช่แม่ใช้ชีวิตในกิจที่ใช้ร่างกายเป็นความหมายแบั้ จาได้ว่าความรู้สึกมุ่สุดท้ายก็คือขอโทษแม่ที่โดมตัวเล็กส่งมาบอกใครไก่ถูกแต่พอคุณ้รู้มาอีกเขาได้เาได้รูีนะครับการการที่จะลงเป็นเป็นชั่งหน้าอะไรแบบนา้นใจได้และจาได้ว่าตอนที่เป็นลมหน้าเมื่อความสุดท้ายต่างกับการเป็นลมหน้าที่ความงแรกมากเลยมากก็คความรู้สึกตอนที่อีกจะรู้สึกตัวเว่าไม่สามารถจะจำลงอยู่ได้ความรู้สึกได้คือยืนไม่ได้ ก็มีภาพของความหมายในบรงอาประกบขึ้นอย่าเช่นนึกถึงความทุกข์อารมณ์ปุถุณอติที่นั่นกล่าวไว้ว่าที่ปฏิบัติมาทั้งหมดทั้งที่ก็จะใเช่นคือที่เราจะตายความคิดให่ว่าต่อวานอย่างยุทมาร้กว่าตอนนั้นโล่งโล่อมีความสุขโอเคนั่นเป็นตามประการที่มันเกิดขึ้นแบบหยาบมารู้สึกตัวอีกครั้งหนึงว่าความตายของตัวเองนสุที่มีความเปลี่ยนแปลมากมก็มันไปเรื่องใหญ่ที่แตก่าง และตอนที่ไปเดินอยู่ในภูมิประเทศที่อยู่สูงจากะำธารเลียวมากที่เย็นน้อยมากาศหนาวเย็นท้่วไปไม่มีพลังใจในชีวิตอยู่ราเห็นว่าเรยแวรไม่มีพความสามารถที่จะก้ายกได้แบไม่อยู่อยู่แล้วทีความรู้สึกทหนว่าโบกบานที่จะก้าแยกและวระตายไปทันทันทีฟังสิผมกังชีวิตนี้ไม่ไดสุเลย คมรู้สึกที่ขอโทษแม่ตอนนั้นใหอยู่ในใจอนนันเรียนี้บอกว่าแม่บ้านกายที่ไม่ให้มามันชั้นพิเศษของกันผมใช่เดินเดนทีน่คือแล้วก็คมถึงว่าข้านี้คงมาเป็นข้าวผ้ชายป้าต่อไปคงให้ไหล้แต่สุดท้ายมันก็เป็นปด้าะความรู้สที่หมาคว่รู้สึกได้ทนความหมายของความตายที่ความตายตัวเองในใจตัปเองเปี่ยนใจแล้ เรื่องความตายมันเป็นสิ่งที่มีความหมายที่ะเอก่าทายยากมากผมเข้าใว่าที่ผมทูบความต้นมันเป็นความตายของคนอื่นที่ราในใจผมแลวต่อมาก็มีความตายของผมที่ปรากฏอยู่ในใจผมเองดนั้นนี้ปรากฏการณ์ีปรากฏการณ์ึ่งที่งพิเทีาประจัผมไม่รู้เฉลยเยัถ้าจัวหน่าจะเป็นความของคนอื่นคือผมไปเดินจาที่เขาที่มที่เดต และเป็นการเดินการทำเชื้เชิพูดที่อะทำเสร็ีกในการที่จะใช้ผการเดินทางอมเป็นการเปรี่ยความหมายในบางอย่างคือการของอาจารย์ไม่เุ้มค่าหรือเปินขออาจารย์เสริมหน่อยนครับตอนาจารย์จะยังสิ้นระดับอีสอปป่ะยังมีเวลาอยู่ไห้อาารยารตาของผมจะเป็นประโยชน์สาธารณะ ก็ระถ้าตายลงตอนสนามนั่งกล้องจับอยู่ใช่ไหมครับน่ถึภาพนะครับรายการที่จะเอามาเผยแพร่ทางทีวีในประเทศไทยเนี่ยที่เป็วงจรชีวิตครับผมก็จะเป็นหลักฐานยืนยันพระยาชื่ออะไรนะไอะดาครับายไม่เป็ไรแล้วก็เอาอ่าลอลิงอลิงาพนุยงานในมลงแล้วก็ตายกล้องจับที่ไที่ยิ่งนหญ่ที่สุดแล้วก็เลยเดินไปถ้าตายนลกตาย แต่า้องการาเลยนะครับคือเขาไม่ตายแล้วเป็นเงินที่เกที่เกำหนดตอนนั้นจริงๆโคเชตุดแต่เนื่จาวัมีข้อกำหนดว่าเราจะไปงในุงศที่เราจะส่งความงามขอยอดถุถอทีมาอะไรนะครับในเวลาประมาณสักดนเมยถนีหผมไปขอหยุดมันจะมีเวลาที่หดไว้่ยาเไปตัดกำหไม่ได้อสมที่ยและผมตมีความไม่สะวรัเท้าหายของแลครับผมสอไม่เจอสอวนก็หายหายได้เลยครับ แต่สุดท้ายแล้วผมไม่ตายและผมเห็นภวะสคามวิสิทิ์ที่ันอธิบายความวิสิที่อนข้าผมมีปัาีติดตัวสั่และนาตาไหลภาคให้หยดยนอนยอดภูเขาที่เห็นที่ส่าลายและเห็นยภูเขาวิมารยที่สูงจนว่าแผ่พนม่ฉายยอดท้อมพร้มาเมันถูบบบังสผมก็ต่ความู้สิทแบบนั้นความู้สิทที่ ผมเกิดความ้ความตายทงที่ผมได้าใมใจอนะครับมันเป็นความรู้สึกที่ผมรู้สึกได้มีความหมายว่าวลาเราผมได้ฟังมาตั้งแต่นเชาทุกมันมีความตายยี่สิบของผู้อื่นที่มากระกดดในใจเราความตยของเราที่มันอยู่ในใจเราเองและความตายของเราจะเนเนี่ยที่มีความรู้สึกว่าจตเป็นความหมายัอปัจจุบันที่ผมมีความรู้สึกทีที่เคถึงความตายก็คือมีความสุข ก็ว่าวานตอนที่เขียนิดประการเนี่ยนะครับประการสุด้ายที่ผมเขียนแล้วก็คือมีความี้็การเข้ะการ็รายการที่อาจารย์พูดถึงนี้ก็คือคนรืเปลาครับใช่ครับครับที่้ดูตอนนี้นะครับอาาได้มาฟังเรื่องหลังฟัีขออาจารย์นะครับก็ขอถามคำถามต่อไปแล้วนะครับ ในฐานะที Tuesday, ่เป ma ็นแพทย์นะครับคือผมรู Kes ้สึกว่ายูโอเคทุกคนในที่นี้หรือว่าที่ตั้งใจมาฟังงานนี okay. Guys, ้ก็คงมีความคิดคล้ายๆกันแล้วว่าเราคือความใจใหญ่ไปยื้กันเลยเราจะยอมรับมันนะครับแต่ว่าพอเราไปเห็นสภาพในโรงพยาบาลจริงๆหรือว่าถึงที่เราไปอยู่ก็รู้สึกว่าการตัดสใจตอนนั้นที่จมันไม่ไม่ง่ายขนาดนั้นอทั้งสําหรับแพทย์เองแล้วก็สาหรับญาตินะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีวิวัฒนาการหรือวิธีการอื่นๆเนี่ยที่มันทให้เส้นแบ่งระหว่าง ตายแต่ไม่ตายมันเทาๆมาครับคือก็่อยากถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าแบบไหนคือการยิ้แบบไหนการเลี้ยงหือยกตัวอย่างนะครับแค่เรารูแล้วเราเป็นโรคที่ยไม่ได้ถยไ้แน่รว่าเราเลือกินไม่ได้ต่างภาพาตรวจยาเราก็จะมีปาว่าเราจะให้คือเราคนไข้หรือเปล่าให้สารน้ำทแทนแต่ว่าซีเรอาเราต้อบ พี่จะออกกระมือไม่ได้มันมีคนดั้งเป็นเต็มเลยต้องต้องอก็่เนวามัไม่ากสรับพวกเราะแต่ว่าการให้ดําเกลือเพื่อให้เขาไปแรงมากขึ้นหรือการบางทีก็มีเรื่องการทำขัตการบางอย่างเช่นเราตรวจเจอแล้วว่าเป็นอะไร้าวหรืออะไรี่นจะด้รแต่เราจะไม่แน่ว่า เราสาจะเป็นมากเป็นน้อยเป็นน้อยบางทีเรามาได้เป็นประาดหายแต่เป็นมากบางทีไม่หายแต่การจะจะรู้ว่าเป็นมากเป็น้อยอาจจะต้องไปทัตราบางอย่างซึ่งมันเช่นกับงอกกันี่ซึ่งบางีเราอาจะดูอาจจะมองเป็นผลเสียกับคนไข้อะไรอย่างครับอยากทราบว่าทางวิทยากรทั้งสองท่านพอจะมีมืหลักหรือมีแนวทางอะไหรรับ โครงการนี้เราได้รับการสนในกร่่วรด่มีอะไรบ้าต้องัน้อนดารท้อนดนท้อนโอเคไปก่อนเจ้าอาจารย์ ผมเดโรเปก้้าโอเคคเดอียรนที่านโอเคมีอะไรแนะนบ้างจัดีตเยังไงคะดคนเยอะกล้ชิดดีมคนเยอะ ปีะไรค่ะดีเลยเพราะเรื่องอะไรควาตายพราประเด็นเหรเฮ้ยเป๊ะเป๊ะเป๊ะนี่ยกบานนนนนเป้เจ่นเรงเพประเด็นเหรอเพราะเรื่องควาตายไม่สราบค่ะโยกต้องาให้ใหวโทษต้งท้าด้วก็สัมภาษณ์เตาสุขเดี๋ยวเดี๋ยวจะมี พอตอนก็จะออกเนี่ยจะมี QR code เขายิงเป็นแบบประเมินเลยค่ะค่ะไอเทมก็แค่เอามาอ่าน QR code แบบประเมินก็จะพุ่เ้นมาแล้วก็ใจริๆนะคะก็ไม่ทลองอะไรนะคะก็ไม่ทำรอกทำคนที่มาหนูว่าหนูขอเขาก็ทำนะคเขียนด้วยมือง่ายกว่าเขียนด้วยมือได้ไหมติดละก็คือห่ อาารงจามาพูกรหมอา้กเยารไปจ่ายนรีวิบ้างนะอกรนี่จับยังไงากรมอเ่ก็หไปบ้านพี่โจนะหานแล้วก็ไปเจอแล้วหนูก็คุยกเขาสนุกมากคนนี้เขางานหนูเลยจับคือเป็นนิยมเพราะว่าหญ่ได้ประเด็นคนเดดเพราะว่า วางเลยไม่ได้แล้วอย่าจาับที่ไม่ได้ลเยดลยเจ้าสาว <c oughs> เอาจรไม่มีสเสดาวก็เจา้าก็เจ้าตั้งใจทำสเสดาวเวาไว้ยไปถามเจ้าสเสดาสะเสดาวมต้องเ็น่เขียนนานเนี่ยเนะนะขียนนานแล้วสาตน่าจ ะ, สะเสียน้าปีแล้วคะ ก็มีโอกแกู้ืออกมาเล่นนึงเล่นนะคะวิธีการเขียนของเขานาะว่ามันเทคนิคเสียะจุงแท่มั้หมออะไรหมอทั่วไปคือไท้ายตอนหลังเขาก็ไม่ได้อยาอเขาก็อยากจะทำงานศิลป์เป็อีแต่ว่าหมเขาเป็นอาชีพที่ทำให้มีรายได้ที่สุดก็เลย ก็ช่วงหนึ่งก็เหมือกัมีคามคุ้กก็เลยอยากจะไปก็ไปทำอะไรไปทำะเกี่ยวกับงานชีวิตเราะว่าพี่นบนแล้วิ้มจค่ะมไ้มกามาสดๆลเขาอก่อนบอกเมื่อกี้ พรเขาตกลงหรืกว่ขึ้นเลยคพรว่าอเห็นว่าแบบคนขนาดนี้มา ปีลูกอะปีลูกเราเหล่านี้มีแค่นี้มั้งเหนดวยลูกเหรอ